วันนี้เป็นวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2566วันนี้เป็นวันที่มีการถวายกรถินพระราชทานณวัดยาณสังวาลารามแห่งนี้เนื่องจากวัดยานี้เป็นวัดอารามหลวงกรถินที่จะถวายที่วัด จึงเป็นกรถินพระราชทาน<ม>กรถินในประเทศไทยนี้ก็มีอยู่สองแบบด้วยกันคือกรถินราชกับกรถินหลวง<ม>กรถินราชก็คือกรถินที่ประชาชนทั่วไปนํำมาไปถวายตามวัดที่ไม่ใช่เป็นพระอารามหลวง<ม>พระอารามหลวงนี้เป็นวัดที่พระเจ้าแผ่นดินสร้างขึ้นมาหรือส่งให้ พระบรมราชานุเคราะห์ถ้าเป็นพระรามหลวงนี้จะเป็นเป็นวัดที่พระเจ้าแผ่นดินจะเป็นผู้ถวายพระกรถินหรือให้ตัวแทนของพระเจ้าแผ่นดินนํามาไปถวายแทนในปัจจุบันนี้ถ้าประชาชนอยากจะถวายกรถินให้กับพระรามหลวงก็สามารถติดต่อกับทางวัดได้ แล้วทางวัดก็จะดำเนินการทำเรื่องของกถินพระราชทานมาให้กับญาติโยมที่มีศรัทธาที่อยากจะเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากถินให้กับวัดผ้ารามหลวงต่างๆเรื่องของผ้าผ้ากถินนี้ประวัติมีความเป็นมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาล ในช่วงยุคแรกๆที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนายังไม่มีการถวายผ้ากฐถินในยุคแรกๆนั้นนักบวชจะไปเก็บผ้าในป่าช้าที่เรียกว่าผ้าผ้าบางสกุลหรือผ้าป่านี่เองผ้าป่าก็คือย่อมาจากปา่าช้าผ้าที่ไป ไปเก็บในป่าชาา <c oughs> เนื่องจากว่าสมัยนั้นจะไม่มีการเผาศพหรือฝังศพกันเวลาคนตายเขาก็จะเอาผ้าขาวนี้หอ่หอห่อศพแล้วก็นำเอาไปทิ้งไว้ในป่าชาให้เน่าเปื่อยให้กลายเป็นอาหารของนกของกาของแรง้งของ ของสัตว์ต่างๆไปอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นวิธีที่สะดวกไม่วุ่นวายไม่ต้องหาฟืนหาไฟมาเผาไม่ต้องขุดหลุมศพอันนี้ปล่อยให้สภาพของร่างกายกลับคืนสู่ธรรมชาติกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปศพก็เลยมีการอาเอาผ้าขาวหอ่อ แล้วก็นำเอาไปทิ้งไว้ในป่าชาผ้าที่หอ่อศพนี้หลังจากที่ศพเน่าเปื่อยไปหมดแล้วก็ไม่มีใครต้องการนอกจากพวกนักบวชพวกนักบวชนี้ก็เลยไปเก็บผ้าหรือไปชักผ้าผ้าบางสกุลเรียกว่าผ้าป่าไปเก็บผ้าที่ป่าชา้า มาตัดมาเย็บมาทักมาย้อมให้เป็นผ้านุ่งห่มผ้านุ่งหรือผ้าห่มของพระยุคแรกๆนี้มีผู้ที่มาศึกษามาบวชกันยังมีจำนวนไม่มากผ้าที่มีอยู่ในป่าชาก็พอเพียงเหลือเฟือแต่ต่อมาหลังจากที่ มีคนได้ยินได้ฟังได้นำเอาคำสั่งคำสอนของพุทธเจ้าไปปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันก็เลยมีผู้มีศรัทธาอยากจะออกบวชกันเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจนทำให้ผ้าป่าในป่าช้านี้ไม่พอใช้ ผ้าบางรูปนี้มีผ้าเพียงผืนเดียวผ้าผ้าห่มเพียงผืนเดียวพระพุทธเจ้าทรงเห็นปัญหาของเรื่องของการขาดผ้าห่มของพระเนื่องจากมีพระอยู่กลุ่มหนึ่งเดินทางมาจากที่อื่นเพื่อที่จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าระหว่างทางก็ไปเจอฝนตกเข้าเลยทำให้ผ้าจีวลเปียกบอน เวลาเข้าเฝ้าก็ต้องห่มผ้าที่เปียกปอนนั้นเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีผ้าสำรองเอามาเปลี่ยนพระพุทธเจ้าทรงเห็นถึงความยากลำบากของ้าภิกษุที่ไม่มีผ้าพอเพียงก็เลยทรงกล่าวบอกกับศรัทธายาโยมให้ถวายผ้าให้แก่ ผ้าพิกษุเรียกว่าเป็นผ้ากถินผ้าเป็นผ้าขาวเพื่อที่พ้าพิกษุจะได้นำเอาไปตัดเย็บซักย้อมให้เป็นจีวรโดยทรงกำหนดเงื่อนไขไว้หลายข้อด้วยกัน mm hmm. เช่นข้อที่หนึ่งาพิกษุที่จะรับผ้ากถินได้นี้จะต้องอยู่จำมัญษา ตลอดระยะ3เดือนและวัดวัดแต่ละวันนี้จะรับผ้ากรถินได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นก็พอแล้วก็ต้องรับอยู่ในช่วงระยะเวลา1เดือนหลังจากออกพรรษาคือตั้งแต่วันขึ้น15วันแลมหนึ่งข้ามเดือนเดือน11 ถึวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองที่เราเรียกว่าวันลอยกระทงวันลอยกระทงนี้จะเป็นวันสุดท้ายสำหรับการถวายผ้ากะถินสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงให้ถวายภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนและให้วัดรับได้เพียงครั้งเดียวก็เพราะว่าไม่อยากที่จะรบกวนชาวบ้าน มากจนเกินไปเพราะว่าผ้านี้เมื่อได้เปลี่ยนแล้วก็จะสามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีไม่จำเป็นที่จะต้องมีการถวายผ้ากันอย่างมากมายเหมือนในสมัยนี้ทรงอนุญาตให้รับเพียงครั้งเดียววัดแต่ละวัดรับได้ครั้งเดียวแล้วก็ต้องอยู่ในระยะเวลาหนึ่งเดือนเท่านั้น เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลากับเรื่องของการมารับผ้ากรถิ่นกันถ้าไม่มีขอบเขตไม่มีเวลาศรัทธาญาติโยมก็อาจจะถวายได้ทั้งปีมันก็จะทำให้พระนี้จะต้องคอยมารับผ้าหน้าที่ของพระนี้หน้าที่หลักไม่ได้เป็นไวเพื่อรับเพื่อมารับผ้า มารับผ้ารับสังฆทานรับอะไรต่างๆห <c oughs> น้าที่หลักของภาคก็คือปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมเพื่อให้บรรลุมรรคผลผนิพพานให้หลุดพ้นจากกองทุกต่างๆซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีเวลาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องพระพุท <c oughs> <c oughs> ธเจ้าจึงต้องทรงกำหนด <c oughs> <c oughs> เวลาไว้สำหรับเรื่องของ <c oughs> การหาปัจจัยสี่ของพระเช่นอาหารก็ให้หาในตอนเช้าตอนเช้าก็าให้ออกบิณฑบาตส่วนเรื่องผ้าก็ให้รับผ้ากระถินได้ปีละหนึ่งครั้งก็พอถ้าผ้าที่ใส่มันเก่ามันขาดก็เอาผ้าใหม่มาตัดเย็บเป็นจีวรซักยอมให้เรียบร้อย ก็สามารถที่จะเก็บไว้ใช้ได้ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีจึงไม่ต้องมาคอยจัดพิธีรับผ้ากรถินกันทั้งปีและพระพุทธเจ้าก็ไม่อยากจะรบกวนชาวบ้านเกินความจำเป็นถ้าพระได้พระได้ผ้าใช้แล้ว ผ้านั้นก็ใช้ได้อย่างน้อยก็หนึ่งปี <S <S ยังไม่ต้องการที่จะให้ชาวบ้านต้องมาลบให้มาเดือดร้อนกับการหาผ้ามาถวายให้กับพระอยู่เรื่อยๆ <S <S 2> <S 2> นี่คือเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของผ้ากถินที่นำมาเล่าให้ท่านฟังที่ท่าน ที่พระ อ, องค์ทรงบอกว่าผ้ากฐถินนี้มีอ น, นิสงส์มีคุณมีประโยชน์มากก็เพราะว่าผ้าท่านขาดแคลนผ้านีเองท่านไม่เคยขอผ้าจากญาติโยมท่านไปเก็บผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าช้าที่เป็นผ้าหอ่อศพแต่เมื่อมีผู้ที่ศรัทธามากขึ้นมาบวชกันมากขึ้น จำนวนผ้าในป่าชาก็เลยไม่พอเพียงกับผ้ากับพระที่มาบวชพระพุทธเจ้าก็เลยต้องให้จดทายาโยมมาช่วยแก้ไขปัญหานี้จึงทรงบอกว่าผ้ากรถินนี้มีคุณมีประโยชน์มีอนิสงส์เป็นอย่างยิ่งสำหรับผ้าภิกษกุสำหรับญาติโยมก็เป็นการทำทานชนิดหนึ่ง การทำทานเหมือนกับการใส่บาตรการถวายผ้าหรือการสร้างกุฏิหรือการถวายยุกยาต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของทานซึ่งก็มีอ น, นิสงมีบุญเท่าๆกันทำทานด้วยการใส่บาตรก็ได้ทำทานด้วยการถวายผ้าก็ได้ทำทานด้วยการสร้างกุฏิก็ได้ ทำทานด้วยการถวายหยกยาก็ได้ก็ได้บุญเท่ากันคือในท่าในจานวนเงินที่เราเสียไปเป็นจำนวนเท่ากันเราก็จะได้บุญเท่ากันถ้าเราถวายเงินมากเราก็จะได้บุญมากถ้าถวายถ้าถวายเงินน้อยเราก็จะได้ บุญน้อยอันนี้พูดเปรียบเทียบเรื่องของบุญคือความสุขใจและบุญที่จะส่งให้ใจไปสวรรค์มีมากมีน้อยก็อยู่ที่การกระทำของผู้ให้ว่าทำมากทำน้อยแต่การทำมากทำน้อยของแต่ละคนนี้ก็จะมาวัดเปรียบเทียบกันไม่ได้ ว่าได้บุญเท่ากันหรือมากกว่ากันหรือไม่เช่นคนหนึ่งอาจจะทำบุญร้อยบาทอีกคนหนึ่งอาจจะทำบุญพันบาทแล้วถ้าเราพูดว่าถ้าทำมากแล้วคนทำมากก็จะได้บุญมากกว่าอันนี้ก็ยังไม่ตรงกับความหมายที่พูดให้ฟัง คว่ามากนี้หมายถึงมากน้อยนี้หมายถึงในบุคในคนคนเดียวกันเช่นเรามีเงินร้อยกับเงินพันอย่างนี้ถ้าเราทําบุญร้อยบาทเราจะมีความรู้สึกสุขใจระดับหนึ่งแต่ถ้าเราทําบุญพันบาทนี่เราจะมีความรู้สึกสุขใจมากกว่าเวลาที่เราทําบุญร้อยบาทเพราะอันนี้สงฆ์ที่เราได้ทํานี้มัน มันมันมากกว่าบุญที่เราทำร้อยบาทกับพันบาทในในตัวของคนคนเดียวกัน obia, ไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นนะเปรียบเทียบกับคนคนเดียวคนค น, ค น, ค น, คน rim, เดียวถ้าทำร้อยบาทกับทำพันบาทนี้ถ้าทำพันบาทมันจะได้บุญมากกว่าทำร้อยบาทแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนี่เปรียบเทียบไม่ได้นะคนอื่นเขาทำพันบาทเราทำร้อยบาทนี้ บางทีคนทำร้อยบาทนี้ได้ความสุขใจมากกว่าคนทำบุญพันบาทก็ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสัสดส่วนของเงินที่เรามีอยู่ว่าเราทำไปกี่เปอร์เซ็นต์สมมุติว่าเรามีเงินอยู่หมื่นหนึ่งเราทำบุญสิบเปอร์ซนตก็หนึ่งพันบาทอีกคนหนึ่งเขามีแสนหนึ่ง ถ้าเขาจะทําบุญสิบเปอร์ซนตาก็ต้องทําหมื่นบาทแล้วก็จะได้บุญเท่ากันคนทําบุญพันบาทกับคนทําบุญหนึ่งหมื่นบาทกลับได้บุญเท่ากันถึงแม้ว่าจํานวนเงินนี้จะต่างกันเพราะว่าจํานวนเงินนี้เรานับอยู่ที่สัสดส่วนของทรัพย์สมบัติเงินทองที่เรามีอยู่ว่าเราแบ่งไปทําบุญกี่เปอร์เซ็นต์ ร้อยละเท่าไหร่ถ้าเราแบ่งไปร้อยละสิบถ้าเรามีแสนหนึ่งเราก็ทำบุญหมื่นหนึ่งถ้าเรามีหมื่นหนึ่งเราทำบุญร้อยละสิบเราก็ทำไปพันหนึ่งแล้วผลก็ผลก็คือความสุขใจอิ่มใจของคนทั้งสองคนก็จะเท่ากันเพราะว่าได้ทำบุญเท่ากันตามสัดส่วนของทรัพสมบัติ ที่ตนเองมีอยู่คือร้อยละเท่าไหร่ร้อยละสิบสองคนคนที่มีหมื่นหนึ่งก็ทำพันหนึ่งคนที่มีแสนหนึ่งก็ทำหมืหม่นหนึ่งความรู้สึกของคนทั้งสองคนนี้จะได้เท่ากันก็คือได้ความสุขเท่ากันแต่ถ้าคนที่มีพันบาทอยากจะได้ความสุขมาก กว่าคนที่ทำ1มื่นบาทก็ทำเพียงสองพบาทนี้ก็ได้สองเท่าแล้วได้ร้อยละยี่สิบคนที่ทำหมื่นบาทนี้ทำเพียงร้อยละสิบความรู้สึกสุขใจนี้ก็จะมีไม่เท่ากัน น, นี่ขอให้เราเข้าใจไว้เราจะได้ไม่เข้าใจผิดพไปคิดว่าเงินถ้าเป็นคนจนก็ไม่สามารถทำบุญได้มาก เท่ากับคนรวยอันนี้เราไม่ได้ดูที่ตัวเงินตัวเดียวเราดูที่สัสดส่วนของเงินที่ได้บริจาคไปสมมติว่าเจ้าจะทำร้อยทั้งร้อยเนี่ยคนที่มีแสนก็ต้องทําทั้งแสนคนที่มีหมื่นก็ทําเพียงหมื่นเดียวเช่นคนที่จะไปบวชนี่เวลาไปบวชนี่เขาก็สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหมด คนที่มีหมื่นก็สละไปหมือนหนึ่งคนที่มีแสนก็สละไปแสนหนึ่งได้ทำบุญเท่ากันได้บุญเท่ากันได้ทำบุญร้อยทั้งร้อยเท่ากันดังนั้นถ้ามองในในอีกมุมหนึ่งก็เป็นคนจนนี่ก็ใช้เงินน้อยกว่าแต่ได้ได้บุญมากกว่าได้บุญเท่ากับคนที่ใช้เงินคนที่มีเงินมากกว่าดัาง น, น, นั้นคนคนจนนี้ ทำบุญได้มากแต่ใช้เงินน้อยกว่าไม่ต้องกังวลว่าเราโะดรวยหรือจนการทําบุญนี้ทําให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจเหมือนกับถ้าเราเปรียบเทียบหนูกับช้างเนี่ยเวลาหนูกินข้าวนี่ยหนูกินข้าวเพียงแค่ช้อนเดียวก็อิ่มแต่ช้างนี่ต้องกินข้าวสักก็สักครึ่งก็สอบถึงจะอิ่ม เพอตัวช้างนี่มันใหญ่กว่าจะทำให้ช้างอิ่มนี่ต้องกินข้าวมากกว่าหนูหนูกินเพียงนิดเดียวก็อิ่มอยนใดคนรวยกับคนจนก็เป็นเหมือนกันคนจนก็เป็นเหมือนหนูการที่จะทำให้ใจของตนอิ่มก็ก็ไม่ต้องใช้เงินมากเท่ากับคนที่รวยคนที่มีเงินล้านนี่ก็ต้องใช้เงินมากเหมือนช้างช้างจะต้องกินข้าวมากถึงจะ ถึงจะได้อิ่มได้ความสุขใจเหมือนกันหนูก็ได้ความอิ่มเพียงกินข้าวเพียงแค่ช้อนเดียวแต่ช้างนี่ต้องกินหลายหลายถังด้วยกันเป็นกินเป็นถังก็ได้ถึงจะได้ความอิ่มเท่าๆท่ากันความอิ่มนี้ก็เป็นเหมือนบุญที่เราได้จากการทําบุญได้ความอิ่มใจสุขใจ คนมีเงินน้อยก็ทำไปไม่ต้องใช้มากก็ได้ความสุขใจอิ่มใจเท่ากับคนที่มีเงินมากที่ต้องใช้เงินมากกว่าที่จะทำเพื่อให้เกิดความสุขใจอิ่มใจเท่ากัน mm hmm. อันนี้คือพูดเปรียบเทียบให้ฟังเพื่อที่จะได้ไม่ต้องวิตกกังวลว่าถ้าเราเป็นคนยากจนแล้วเราจะไม่สามารถที่จะทำบุญได้มาก mm hmm. มากน้อยอยู่ที่เงินทองสัดส่วนของเงินทองที่เราบริจาคไปไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขถ้าเราบริจาคร้อยละสิบเราก็ได้บุญร้อยละสิบถ้าเราบริจาคร้อยละยี่สิบเราก็ได้บุญร้อยละยี่สิบมันวัดกันตรงนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของการทําบุญทําทานการถวายข้าวของต่างๆอันนี้ ญาติโยมอา จ, จะเข้าใจผิดคิดว่าทำบุญกฐินนี่ได้บุญมากตามจริงมันได้ประโยชน์มากคือประโยชน์ของผู้รับเพราะผู้รับตอนนั้นไม่มีผ้าขาดผ้าอาหารนี้มีพอเพียงไปบินธบาต ท, ทุกวันก็มีอาหารกินอยู่พอเพียงแต่ถ้าถ้าถวายถวายอาหารให้มากขึ้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะมันมากเกินเกินที่ต้องการแต่ผ้านี้ขาดแคลนไม่พอเพียงถ้าถวายผ้าก็จะทำให้ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของพระลงไป <Okay. S 1> ผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็คือผู้รับผ้า <Okay. S 1> ผ้าจะได้มีเปลี่ยนเวลาฝนตกผ้าเปลี่ยน <Okay. S 1> จะได้มีผ้าเปลี่ยนผ้าแห้งหมไม่ใส่ <Okay. S 1> แต่ผู้ให้คือบุญ ที่ได้รับที่ผู้ให้ได้นั้นก็เหมือนกันจะเอาไปถวายผ้ากรถินผ้าป่าจะเอาไปถวายสังฆทานเอาไปใส่บาตรเอาไปถวายสร้างกุฏิสร้างโบสสร้างเจดีย์อะไรก็ตามถ้าเป็นจํานวนเท่ากันก็ได้บุญเท่ากันในในในคนคนเดียวกันถ้าญาติโยม อ, อยากจะทําบุญพันบาทนี้ญาติโยมเอาไปถวายสังฆทาน หรือเอาไปถวายภากถินหรือเอาไปถวายพระตาหารหรือทำลงทานอย่างนี้มันก็ได้บุญในระดับพันบาทของญาติโยมนั่นแหละเท่ากันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเอาไปทำกับใครแบบไหนมันอยู่ที่การเสียสละแบ่งปันของเราว่าเราได้เสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติของเราไปมากน้อยเท่าไหร่ในในสัดส่วนที่เรามีอยู่ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมากังวลว่าปีนี้ไม่ได้มีโอกาสได้ทได้ไม่ได้ทำกระถินจะไม่ได้บุญมากสมมติว่ากระถินหมดแล้วเดี๋ยวอีกสองวันก็หมดแล้วพอถึงวันขึ้นส5บห้าค่ำเดือนส2บสองก็จะไม่มีการถวายกระถินแล้วถ้าอยากจะถวายผ้าหรือถ้าเห็นว่าวัดไหนผ้าท่านไม่มีผ้าขาดแคงก็ซื้อผ้าไปถวายได้หถึงแม้จะเป็นนอกเขต กถินแต่บุญที่ได้มันก็เท่ากันกับการที่เราถวายในเขตของกระถินนี้ฉะนั้นขอให้เราเข้าใจความหมายว่าผ้ากระถินนี้มีคุณมีประโยชน์มากเพราะว่าในยุคนั้นในสมัยนั้นเป็นยุคที่ผ้าไม่พอเพียงผ้าสองไม่มีผ้าเปลี่ยนเวลาไปเจอฝนเช่นไปบินทบารแล้ว ไปเจอฝนไม่มีร่มกลางอย่างนี้ก็ต้องเดินบินาบาดเปียกๆไปกลับมาวัดก็ไม่มีผ้าเปลี่ยนก็ต้องนั่งฉาญอาหารนุ่งหม่มผ้าเปียกไปนี่คือความยากลำบากเพราะผ้าที่เคยหาได้ในป่าช้ามันไม่พอเพียงกับกับจำนวนของพระที่มาบวชนีน่นี่คือเรื่องของการทำบุญทาทานในพระพุทธศาสนา ที่ผู้เจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราหมั่นทํากันอยู่บ่อยๆทํากันอยู่เรื่อยๆเพราะบุญนี้ที่เกิดจากการให้ทานนี้เป็นขั้นต้นของการสร้างความสุขให้กับใจเป็นการดึงใจให้ขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นตอนนี้ใจของพวกเรานี้เป็นมนุษย์อยู่ ถ้าเราได้ทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆใจของเราก็จะสูงขึ้นจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทพ<ม>เช่นถ้าเกิดเวลาที่เราตายไป<ม>ถ้าเราทำบุญแล้วไม่ได้ทำบาป<ม>บุญของเราก็จะมีมากกว่าบาปและบุญที่เราทำจากการให้ทานนี้<ม>ก็จะยกจิต ด, ดวงวิญญาณของเราให้ขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นเทพ อันนี้แต่ถ้าเราทําบุญแล้วเราไม่รักษาศีลเช่นเราไปทําบาปด้วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบาปกับบุญที่เราทําว่าอย่างไหนมีกําลังมากกว่ากันถ้าเราทําบาปมากกว่าทําบุญเวลาตายไปนี้บาปมันจะมีกําลังมากกว่าบุญบาปมันก็จะเดินใจให้ไปลงต่ํา ให้ไปในอบายไปเกิดในอบายซึ่งมีอยู่สี่ที่ด้วยกัน<ม>ไปเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยเรียกว่าเปรต<ม>ไปเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวเรียกว่าอาสุรกายไปเป็นดวงวิญญาณที่โหดร้ายทารุณเรียกว่านารกนี่คือที่ไปของผู้ที่กระทำบาป ด้วยเหตุผล4ี่ประการด้วยกันถ้าทำบาปด้วยความหลง<ฮ>ด้วยความไม่รู้ว่าบาปนี้มีโทษทำไปเ พ, เพื่อเลี้ยงชีพอันนี้ก็จะไปเกิดเป็นสัตว์ในราชา<ฮ>ถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, <ฮ>ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่าเปรตเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหย<ฮ>ถ้าทำบาปด้วยความกลัว อันนี้ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวเรียกว่าอาสูรลกายแล้วถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมอันนี้ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในนรกมีไฟนรกของความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่อยากที่จะให้ดวงวิญญาณของเรานี้ ไปตกอยู่ในอบายเราก็ต้องรักษาศีลห้ากันให้ได้ไม่ทำบาปสี่ห้า 4, ข้อนี้คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดแล้วก็ไม่ดึงของมึนเมาสุราที่จะทำให้เราไม่มีสติยับยัง้งเวลาที่ใจคิดจะทำบาป ถ้าเวลาที่เรามีสติเราไม่มึนเมานี่เวลาที่ใจคิดจะทำบาปเราก็มีสติรู้ทันเราก็จะยับยั้งมันเพราะเรารู้ว่าการทำบาปมันไม่ดีทำบาปแล้วมันจะดึงดวงวิญญาณของเราให้ลงไปอบายลงไปนรกนั่นเองอันนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ศรัทธาญาติโยม น, นี้รักษาศีลห้ากัน ให้ถือเป็นนิจสลินเป็นศีลปกติคนรักษาตลอดเวลาแล้วก็มันทำบุญตามกำลังของเรามีมากมีน้อยก็ทำไป<ม><ม>เพราะว่าถ้าทำมากก็จะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นสูงขึ้นสวรรค์นี้มีแบ่งไว้หกชั้นด้วยกัน<ม>แต่ละชั้นนี้จะมีความสุขมากน้อยไม่เท่ากัน ชั้นที่หนึ่งความสุขก็น้อยกว่าชั้นที่สองชั้นที่สองก็น้อยกว่าชั้นที่สาม <c oughs> ก็เปรียบเหมือนโรงแรมที่มีดาวโรงแรมหนึ่งดาวบริการก็ซู้โรงแรมสองดาวไม่ได้โรงแรมสองดาวก็ซู้โรงแรมสามดาวไม่ได้แต่ค่าใช้ใจ่ายก็เพิ่มขึ้นตามลำดับโรงแรมดาวเดียวก็ค่าใช้ใจ่ายก็น้อยกว่าโรงแรมสองดาว อันนี้ก็เป็น ล, ลักษณะคล้ายๆกันเราทาบุญนี้ก็เหมือนกับเราไปจองโรงแรมจองที่พักไว้ในในโลกทิพย์เวลาที่ร่างกายของเราตายไปแล้วนี่ดวงวิญญาณใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเรานี่แหละเป็นผู้ที่อยู่ต่อไปจะอยู่ในสวรรค์หรืออยู่ในอบาย ก็ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่ได้ทําไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เวลาที่คนตายไปแล้วเรามักจะขอให้เขาไปสู่สุคติไปสู่สุคติก็คือไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆนี่เองแต่การขอนี้ไม่สามารถที่จะส่งให้ดวงวิญญาณเขาไปสู่สุคติได้ดวงวิญญาณเขาจะไปสู่สุคติหรือไม่นี้อยู่ที่ตัวเขาเอง ในขณะที่เขามีชีวิตอยู่ว่าเขาทําบุญกับทําบาปอย่างไหนมากน้อยต่างกว่ากันถ้าทําบาปมากกว่ากันมากกว่าทําบุญถึงแม้จะขอให้ไปเกิดในสุกติก็จะไปเกิดไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้สะสมบุญไว้ที่จะส่งให้ไปเกิดในสุกตินั่นเองสะสมแต่บาป บาปก็จะเป็นผู้ที่จะดึงให้ไปเกิดในอบายนั่นเอง yeah. Yeah. อันนี้ก็สิ่งที่เราควรที่จะทำความเข้าใจว่าเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกาย <Yeah. S 1> ร่างกายนี้เป็นเพียงของที่เราอาศัยใช้พาเราไปไหนมาไหนเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่ง เวลาที่เราจะไปไหนมาไหนเราก็ต้องมีรถยนต์กันมีรถยนต์ก็จะพาเราไปตามที่ต่างๆที่เราต้องการจะไปได้<ม>แต่รถยนต์กับเราคือคนขับหรือคนนั่งนี้ไม่ได้เป็นส่วนเดียวกัน<ม>เกิดเวลารถเสียไป<ม>คนขับก็ไม่ได้เสีย<ม>คนนั่งก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถยนต์<ม><ม>รถยนต์ก็ต้องเข้าอู่ซ่อม หรือถ้ามันพังก็มันก็พังแต่รถยน ต, ต์คนที่นั่งก็ปลอดภัยไม่เป็นอะไรใจกับร่างกายก็เป็นแบบเดียวกันใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปไหนมาไหนเช่นวันนี้ก็สั่งให้มาที่วัดนี้ผู้ที่สั่งก็คือความคิดนี่ความคิดนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย เหมือนกับที่นักวิทยาศาสตร์หรือพวกหมอเขาคิดกันว่าความคิดอยู่ในสมองความจริงสมองนี้ไม่มีความคิดความคิดอยู่ในใจเป็นนามธรรมไม่ใช่เป็นรูปประธรรมสมองร่างกายนี้เป็นรูปประธรรมแต่ใจนี้เป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาแต่เป็นสิ่งที่มีความสามารถที่จะนึกคิดได้ ใจนี่แหละเป็นผู้นึกผู้คิดนึกว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันเสาร์มีจะมาฟังเทศฟังธรรมกันพอนึกแล้วก็คิดสั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาวัดกันผู้ที่มาวัดมาทำบุญไม่ใช่ร่างกายเหมือนกับรถยนต์พอเรามาถึงวัดเราก็จอดรถแล้วเราก็ลงจากรถแล้วเราก็ไปทำบุญกัน ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถ<ม>เป็นเครื่องมือมที่เราเอามาใช้ในการทำบุญหรือทำบาป<ม>ผู้ที่รับผลของบุญของบาปจึงไม่ได้เป็นร่างกาย<ม>เพราะว่าร่างกายเวลาตายไปแล้วมันก็กลับคืนสู่สภาพเดิมมันมาจากดินน้ำลมไฟมันก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไป เช่นศบในสมัยก่อนที่เข้าไปทิ้งไว้ในป่าชา้าก็ปล่อยให้เน่าเปื่อยไปให้ธาตุทั้งสี่แยกตัวออกจากกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่มารวมตัวสร้างร่างกายนี้ก็จะแยกออกจากกันร่างกายก็จะหายไปไม่มีร่างกายเหลืออยู่ถ้าเราคิดว่าร่างกายเป็นผู้ทาบุญทาบาปเราก็อาจจะ สงสัยว่าอ้าวถ้าร่างกายเป็นผู้ทําบุญทําบาปแล้วเวลาร่างกายตายไปใครเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปกันอันนี้เป็นเพราะว่าร่างกายไม่ได้เป็นผู้กระทาบุญหรือกระทาบากร่างกายเป็นเครื่องมือแค่นั้นเองเช่นเป็นเหมือนมีดเนี่ยถ้าเราถ้าคนเอามีดไปทําร้ายผู้อื่นเนี่ย ผู้ที่จะไปติดคุกติดตารางไม่ใช่มีดมีดเขาไม่จับไปถังคุกขังตารางแต่เขาจะจับคนที่ใช้มีดนั้นไปติดคุกติดตารางหรือถ้าเอามีดนี้ไปทําบุญทําประโยชน์ทํากับข้าวทําอาหารมาใส่บาตรนี่คนที่ได้บุญก็ไม่ใช่มีดคนที่ได้บุญก็คือคนใช้มีดไปทําบุญร่างกายก็เป็นเหมือนมีดเนี่ย เอาร่างกายนี้ไปทําบาป ก, ก็ได้เอาไปรักขโมยเอาไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาไปประพฤติผิดประเพณีเอาไปพูดปดอันนี้ร่างกายไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นผู้กระทําเป็นผู้รับคําสั่งเป็นเครื่องมือไปทําบาหรือไปทําบุญร่างกายจึงไม่ได้เป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญหรือผลบา ร่างกายนี้ไม่มีความรู้สึกไม่รู้สึกว่าเวลาทำบุญแล้วตัวเองมีความสุขหรือมีความทุกข์ mm hmm. ผู้ที่มีความสุขลึกมีความทุกข์นี้ไม่ใช่ร่างกาย mm hmm. เรียกว่าใจหรือดวงวิญญาณ mm hmm. ที่เป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปทำบุญหรือไปทำบาบนั่นเอง mm hmm. และบุญที่คือความสุขใจหรือบาปคือความทุกข์ใจนี้มันก็จะเกิดขึ้นทันทีในขณะที่ได้ทำบุญหรือทำบาป เวลาเราทำบาปไปแล้วเราจะรู้สึกไม่สบายใจเกิ <Yeah. S 1> ดความทุกข์ใจขึ้นมา <Yeah. S 1> เวลาเราทำบุญแล้วเราก็ <Yeah. S 1> จะเกิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจขึ้นมา <Yeah. S 1> แล้วความสุขใจหรือความทุกข์ใจนี้มันก็จะสะสมไว้ในใจของเรา <Yeah. S 1> ใจของเรานี้ก็เป็นเหมือนธนาคารบุญธนาคารบาป <Yeah. S 1> เวลาเราทำบุญก็เหมือนเราเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารบุญ เวลาเราทำบาปก็เหมือนกับเราเอาบาปไปฝากไว้ใ น, ในธนาคารบาปมันก็จะสะสมยอดขึ้นไปเรื่อยๆยอดบุญกับยอดบาปพอถึงเวลาที่ร่างกายตายไปยอดบุญกับยอดบาปที่มีสะสมไว้ในใจนี้ก็จะเป็นตัวที่จะมาดึงใจให้ไปสวรรค์หรือให้ไปอบายกันนั่นเองถ้ายอดของบุญมีมากกว่ายอดของบาป บุญก็จะดึงให้ใจไปอยู่ตามสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบาปมียอดของบาปมีมากกว่ายอดของบุญบาปก็จะดึงให้ใจไปสู่ที่ต่ำกว่าไปสู่อบายต่ำกว่ามนุษย์ถ้ายอดของบุญกับยอดของบาปมีเท่ากันดวงวิญญาณนี้ก็จะไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปอบายแต่ก็จะไปรอรับร่างกายอันใหม่ไปรอเป็นมนุษย์ใหม่ เพราะว่ายังมีสิ่งที่พาให้ใจนี้ยังอยากจะกลับมาเกิดอยู่สิ่งที่ดึงให้ใจอยากจะกลับมาเกิดก็คือความอยากความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองทุกคนที่เกิดมานี้ไม่ต้องมีใครสอนเรื่องการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทุกคนมีความอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มอยากไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆกัน รัวความอยากอันนี้ที่เรียกว่ากามตัญหาความอยากเสพกามคือรูปเสียงกดลิ่นรสผลทพะกามก็คือกามคุณห้ากามคุณห้านี้ประกอบด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะหรือสัมผัสสัมผัสที่สัมผัสที่ร่างกายนี้เรียกว่าผลทพะ<ม><ม>เวลาที่ได้เสพรูปเสียงกดลิ่นรสผลทพะแล้วก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมา จึงทำให้ติดเหมือนกับติดยาเสพติดเนี่ยรูปเสียงกีลดลนนี้เป็นเหมือนยาเสพติดที่ใจไปติดก็อยากเสพเวลาที่ไม่ได้เสพแล้วจะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่สบายใจต้องดิ่นลนไปเสพรูปเสียงกีลดลนผดพลาอยู่เรื่อยๆจึงทาให้ใจนี้พอที่จะอยู่อย่างสงบได้แต่เวลาใดที่ขาด จากการได้เสพ ร, รูปเสียงกิ่นรสก็เหมือนคนที่ขาดสิงยาเสพติดหรือหรือสุรายาเมาไปตคนที่ติดสุรานี้ถึงเวลาก็ต้องดื่มสุราถ้าไม่ดื่มสุราก็จะรู้สึกหวดเหล็ดรูปเสียงกิ่นรสก็เป็นเป็นเหมือนกับสุราเนี่ยสุราก็เป็นส่วนหนึ่งของรูปเสียงกิ่นรดความอยากนี่แหละเป็นตัวที่พาให้ดวงวิญญาณที่ พ้นจากอบายพ้นจากสวรรคนะ์มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าสมมติว่าถ้าตายไปแล้วบุญนี่มีมากกว่าบาปบุญก็จะพาไปอยู่ที่สวรรค์ไปเสพความสุขของบนสวรรค์อยู่ชั่วระยะหนึ่งพอกำลังบุญลดลงมาเท่ากับกำลังบาป<ม><ม>ก็ไม่สามารถที่จะดึงให้ดวงวิญ ญ, ญาณอยู่ในสวรรค์ได้ต่อไป แต่บาปก็มีไม่มากที่จะดึงให้ลงไปสู่อาบายช่วงที่บุญกับบาปมีกําลังเท่าๆกันนี้ก็เป็นช่วงที่ดวงวิญญาณจะไปรอรับร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่เพื่อที่ได้เวลาได้ร่างกายใหม่มาแล้วก็จะได้ใช้ร่างกายคือตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดผะใหม่นี่ใจก็จะ เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอตายไปแล้วก็ไปสวรรค์หรือไปอบายหรือถ้าไม่ได้ไปสวรรค์หรือไม่ไปอบายก็ไปรอรับร่างกายใหม่พอได้ร่างกายใหม่ก็พอพอคลอดออกมาจากท้องแม่พอเจริญเติบโตก็ใช้ร่างกายใหม่นี้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายแล้วก็ในช่วง ที่ไปหาความสุขก็ จ, จะทำบุญบ้างทำบาบ้างแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่ว่าอะไรเป็นตัวผลักดันบางทีก็เหตุการณ์ผลักดันให้ไปทำบาปบางทีเหตุการณ์ก็ผลักดันให้ไปทาบุญก็จะได้ทำบุญได้ทำบาปสลับกันไปแล้วการที่มีร่างกายนี้มันก็มีผลไม่ดีเพราะร่างกายนี้มันไม่ได้อยู่แบบ เป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดร่างกายนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตั้งแต่เป็นทารกออกมาจากท้องแม่มันก็เริ่มเจริญเติบโตเติบโตขึ้นไปเป็นเด็กจากเด็กก็ไปเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เริ่มกลายเป็นคนแก่คนชราแล้วก็เป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เป็นคนตายอันนี้คือปัญหาของการที่ ใจไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขมันทำให้ใจนี้จะต้องเจอกับความทุกข์ของร่างกายเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างร่างกายแก่ชราร่างกายไม่แข็งแรงมีอาการเจ็บปวดไปตามอวัยวะต่างๆแล้วก็เวลาที่ร่างกายตาย มันเป็นเวลาที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจเพราะใจไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตายเพราะว่ามันเป็นสภาพที่ไม่ได้ให้ความสุขกับใจนั่นเองแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าอยากจะมีร่างกายมันก็ก็ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายเช่นพระพุทธเจ้าก็ตอนที่เป็นเจ้าชายศรษฐา ก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่ในวังมีประสาทสามฤ ด, ดูมีบริษัทบริวารคอยมารับใช้คอยมาให้ความสุขทางตาหูจบวกลิ้นกายอยู่ตลอดเวลาแต่วันหนึ่งพอได้ออกไปเที่ยวนอกพระราชวังไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเข้าก็เลยทำให้ ทำให้เห็นความเป็นจริงของร่างกายของพระองค์เองว่าต่อไปร่างกายของพระองค์ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความสุขต่างๆที่เคยได้รับจากการเสพการมาคุณห้าน้นั้นก็เลยถูกความทุกข์ใจมากบทันทีเมื่อคิดว่าต่อไปร่างกายของพระองค์ก็ย่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพระองค์ก็เลยไม่มีความสุขจากการที่มีร่างกายหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเลย ก็รู้ว่ามันเป็นของชั่วข่าวตอนนี้ร่างกายของพระองค์ทรงแข็งแรงยังสามารถเสด็จรูปเสียงกิริลดโปรพได้อย่างเต็มที่แต่ต่อไปเมื่อเห็นคนแก่เห็นคนชราเห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็รู้แล้วว่าต่อไปร่างกายของพระองค์ก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกิริลดต่อไปได้แล้วก็จะต้องมาเจอกับความทุกข์ทรมานของร่างกาย ก็เราทำให้พระองค์นี้กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายจนอยากจะหาวิธีที่จะทําให้ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ได้ก็ไปเห็นนักบวชได้ได้เรียนรู้ว่านักบวชนี้เป็นพวกที่เขาจะไปศึกษาไปเรียนรู้วิธีที่จะทำให้ไม่ให้ให้ใจเขาไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย เรียนรู้วิธีที่จะทำให้ให้ใจนี้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเมืม่อพระองค์ทรงเรียนรู้ได้ยินว่ามีผู้ที่กำลังค้นหาทางอยู่และมีมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้อยู่เรื่อยๆพระองค์ก็เลยทรงตัดสินใจออกบวช<ม>ทละราชาสมบัติทำทาน มีเนมีเงินมีทองมีทรัพย์มีอะไรต่างๆก็ทิ้งหมดไม่เอาขอเอาเวลาไปศึกษาไปปฏิบัติเพื่อทำให้ใจนี้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพื่อทำให้ใจนี้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมามีร่างกายใหม่อีกต่อไปอันนี้ก็เป็นการทาบุญทาทานของของเจ้าชายสิทธัตถะสละบหมดเลยทาเต็มร้อยเลย มีเท่าไหร่สละหมดเพราะรู้แล้วว่าเงินทองทรัพย์สมบัติต่างๆนี้ไม่สามารถนำมามาใช้ดับความทุกข์ของใจได้องก็เลยต้องสละทรัพย์สมบัติเพราะถ้าอยู่ในวังก็จะไม่มีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้ใจนี้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้เลยก็เลยต้องหนีออกจากวังไป สีโดยที่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่บอกใครเพราะถ้ามีใครรู้ก็จะถูกห้ามอย่างแน่นอนยังไม่บอกใครไปแบบเงียบๆไปในยามวิการยามดึกในคืนที่พระมเมสสีได้คลอดพระโอรสออกมาพอได้ยินข่าวก็อุทานวะ่าาหุนราหุนแปลว่าบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วบ่วงที่จะมาลัตใจไม่ให้ไม่ให้ทิ้งครอบครัวไป ก็เลยไม่กล้าไปดูลูกไม่ไม่อยากเห็นหน้าลูกเพราะกลัวเห็นแล้วจะทำใจไม่ได้ก็เลยหนีไปในคืนนั้นเลยหนีไปแล้วก็ไม่บอกใครว่าไปอยู่ที่ไหนองค์ไปตามลำพังพ่อองค์เดียวแล้วก็ไปมุ่งมั่นหาวิธีที่จะทำให้ใจของท่านนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้ได้ด้วยการไปศึกษากับครูบาอาจารย์ในระดับต่าง ก็ได้เรียนรู้ว่าต้องรักษาศีลศีลก็ต้องเป็นศีลของนักบวชอย่างน้อยก็คือศีลแปดศีลห้านี้ยังไม่มีกําลังพอที่จะส่งให้ใจได้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงกว่าศีลห้านี้มีไว้สําหรับผู้ที่คลองเรือนผู้ที่เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ออกบวชถือศีลห้าแล้วก็ทําบุญทําทานอย่างศรัท ธ, ธาญาติโยมนี่ ถือแ ค, แค่นี้ก็พอเพียงต่อการที่จะพ้นอบายมไม่ต้องไปเกิดในอบายตายไปก็ไปสวรรค์แต่ไม่สามารถที่จะทำให้ใจนี้ไม่กลับมาเกิดได้<ม>เพราะว่าการที่จะทาให้ใจไม่กลับมาเกิดได้นี้ต้องหยุดความอยากให้ได้หยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย การที่จะหยุดความอยากได้นี้ใจต้องมีมีเครื่องมือที่มีกําลังมากกว่าศีลห้ากับการทำทำบุญทาทานก็คือต้องมีศีลแปดขึ้นไปต้องมีศีลแปดเพื่อที่จะใช้ศีลแปดนี้มาห้ามใจไม่ให้ไปเสพกลามนั่นเองศีลข้อสามของศีลห้าที่ยังอนุ ญ, ญาตให้มีให้ร่วมหลับนอนกับคู่คองของตนได้ ออมาถือศินแปดก็ห้ามหมดไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใครไม่ให้หาความสุขจากการร่วมร่วมหลับนอนกันแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากให้รับตามมหารับประทานอาหารตามความจําเป็นเท่านั้นตามความต้องการของร่างกายซึ่งรับประทานวันละครั้งสองครั้งก็พอแต่ไม่ให้เกินเที่ยงวัน น, นี่คือศีนข้อหก ให้กินเพื่อเลี้ยงร่างกายไม่ให้กินตามตอบสนองความอยากไม่ให้ไม่ให้กินเพื่อหาความสุขจากรสชาติของอาหารอันนี้เป็นการเสพกามเสบพรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารก็เลยให้ถือศีลข้อหกไม่ให้กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วมีประโยชน์หลายอย่างการไม่กินอาหารหลังเทียเท่ยงวันไปแล้วเพราะหลังเที่ยงวันไปแล้วก็จะทาให้ท้องเบาก็ทาให้เวลาไปฝึกสมาธิทาใจให้สงบหยุดความอยากนี้ ก็จะไม่ง่วงเหงาหงนอนจะไม่มีความเกลียดคา้านแล้วก็จะมีเวลาได้ปฏิบัติถ้ายังไปกินอาหารต่อเดี๋ยช่วงบ่ายช่วงเย็นก็อยากจะกินอีกก็กินอยู่เรื่อยๆเวลากินแล้วก็จะทําให้ท้องอิ่มแล้วก็จะทําให้ขี้เกียจนั่งสมาธิก็จะง่วงเหงาหงนอนนั่งแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรก็เลยต้องถึงสินข้อนี้ข้อหกให้กินอาหารพอประมาณไม่ให้กินตามความอยาก กินเพื่อเลี้ยงร่างกายก็พอแล้วก็ข้อ7ก็มาไม่ให้หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายจากพวกมหระรสบบันเทิงต่างๆเช่นดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานบันเทิงหรือไปตามเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้ปิดหมดปิดตาวานทั้งห้าปิดตาหูจมูกนิ้งกายไม่ให้ไปเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไม่ให้เสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าภรอนวิจิตพิสดาร หรือใช้เครื่องสมมาใช้น้ํามันน้ําหอมต่างๆมาม า, ามาเสริมความงาน่านกับร่างกายเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวประเดี๋ยวประเดาแค่นั้นเองทําให้เสียเวลากับการที่จะไปปฏิบัติสมาธิไปเจริญสติไปนั่งสมาธิเพราะการที่จะหยุดความอยากได้นี้ในเบื้องต้นนี้ต้องหยุดด้วยสติด้วยสมาธิก่อน ใจเรานี้ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธินี่มันจะคิดอยากอยู่เรื่อยๆอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากดูนั่นอยากฟังนี่ถ้าเราอยากที่จะให้มันหยุดความอยากชั่วคราวเราก็ต้องฝึกสติพยายามควบคุมความคิดเพราะความคิดนี้เป็นตัวที่จะพาให้เกิดความอยากพอคิดถึงขนมก็อยากกินคิดถึงอาหารก็อยากรับประทาน คิดถึงภาพยนตร์ก็อยากจะดูคิดถึงที่ท่องเที่ยวก็อยากจะไปดง mm hmm. ั้นเบื้องต้นนี้การที่จะหยุดความอยาก mm hmm. แบบชั่วคราวนี้ต้องใช้สติโดยต้องใช้สติคอยควบคุมหยุดความคิดต่างๆอ mm hmm. ุบายของสติก็มีหลายแบบด้วยกัน mm hmm. เช่นพุทธานุาสติก็คือการใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไป ถ้าเราบริกรรมอยู่กับพุโทโธใจของเราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พอไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ความอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากไปนูน่นอยากมานี่ก็ไม่เกิดอันนี้เบื้องต้นเราต้องพยายามคอยวควบคุมความฟิตด้วยการเจริญสติการที่เราจะเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องนี้เราต้องไปอยู่ที่สงบไปอยู่ตามวัดเนี่ยไ ป, ไปเราต้องมีเวลาว่างจากการทางานต่าง อะไรยังต้องทําหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราต้องใช้ความคิดเราก็จะหยุดความคิดไม่ได้แล้วบางทีความคิดเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะเกิดความอยากขึ้นมาได้อันนี้สําหรับผู้ที่ต้องการที่จะหยุดความคิดนี้ต้องต้องเป็นแบบว่าไปบวชช่วคราวหรือไปไปบวชอย่างถาวรถ้าเป็นผู้ที่ยังต้องทําหากินเลี้ยงชีพอยู่ทุกวันนี้ก็จะยาก แต่ถ้าเป็นไปเป็นไปอยู่แบบนักบวชได้นี่มันก็จะง่ายเพราะไม่ต้องใช้ความคิดในการทำมาหากินไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครไปบวชแล้วก็สามารถจเจริญสติได้ทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับนใช้คําบริกา ร, รพุทโธพุทโธไปสู้กับความคิดต่างๆเวลามันคิดเราก็พุทโธพุทโธหยุดมันพอมันหยุดคิดเราก็หยุดพุทโธได้รู้เฉยๆไปพอมันเริ่มคิดใหม่เราก็พุทโธใหม่ไป ถ้าเราทําอย่างนี้ได้เวลาที่เรานั่งสมาธิใจจะไม่ฟุ้งซ่านใจจะไม่ลอยเราก็นั่งพุทโธพุทโธไปใจก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเวลาใจสงบเป็นสมาธิความอยากต่างๆมันก็จะหยุดทํางานชั่วคราวความอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอยากไป น, นั่นอยากมานี่มันก็จะหายไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ใจสงบก็คือเกิดความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อน เป็นความสุขที่นี้ที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปกิ น, ไ ป, นไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆถ้าเราได้เข้าถึงสมาธินี้แล้วมันจะทำให้เรามีกำลังใจที่จะตัดความอยากในสิ่งต่างๆได้เพราะเราได้ค้นพบวิธีมีความสุขอี ก, อกวิธีหนึ่งก็คือความสุขที่เกิดจากการหยุดความอยากเมื่อตอนนี้เราก็หยุดความอยากได้เพียงชั่วคราว เพราะว่าเรายัางไม่มีเครื่องมือที่สำคัญอีกระดับหนึ่งคือปัญญาที่จะมาระ ง, งับดับความอยากได้อย่างถาวปรปัญญานี้เป็นธรรมขั้นสูงสุดก่อนที่จะขึ้นสู่ขั้นปัญญาได้นี้เราต้องผ่านขั้นสติขั้นสมาธิให้ได้ก่อนขั<ม>้นสติขั้นสมาธินี้ง่ายกว่าขั้นปัญญาบางตอนเราก็ฝึกสติใช้คํใบกัมพุธโธคาเดียว เพืหยุดความคิดนั่งสมาธิทําจิตให้นิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาพอจิตนิ่งสงบแล้วก็ไม่ต้องใช้คําบริกรรมจิตก็จะนิ่งเฉยๆอยู่กับความอิ่มอยู่กับความสุขอยู่กับความพอไม่หิวไม่อยากกับอะไรแต่ก็จะสงบได้ในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นเวลาออกจากสมาธิมาพอออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆก็เริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ พอเริ่มคิดก็เกิดความอยากตามมาถ้าถ้าต้องการที่จะไม่ให้คิดถึงเรื่องความอยากต่างๆแทนที่จะใช้คําบริกรรมพุโทโธเราก็มาหัดใช้ปัญญาแทนเพราะถ้าเราใช้ปัญญาได้มันจะหยุดความความอยากได้อย่างถาวรเลยแต่ถ้าเราใช้พุโทโธมันก็จะหยุดความอยากในช่วงที่เราใช้พุโทโธพอเราหยุดพุโทโธเดี๋ยวความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาได้ใหม่ แต่ถ้าเรามาเรียนรู้ทางปัญญารู้ว่าทําอย่างไรทําให้ความอยากของเรานี้มันหายไปหมดเลยโดยที่ไม่ไม่กลับมาอีกเลยก็คือต้องรู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันเป็นของที่จะทําให้เราทุกข์ใจไม่ใช่เป็นของที่จะทําให้เราสุขใจเพียงอย่างเดียวเราคิดว่าเราได้เป็นเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วเราจะมีความสุขใจเราก็มันก็ได้สุขใจในตอนที่เราได้มาใหม่ๆ แต่ต่อมาสิ่งที่เราได้มามันอาจจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้<อ>เวลามันจากเราไปความสุขใจที่ได้จากมันก็หายไปความเศร้าโศกเสียใจก็จะเข้ามาแทนที่<อ>ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้มันเป็นของเป็นความสุขแบบชั่วคราวเวลาได้มาก็ดีอกดีใจพอเวลาสูญเสียไปหรือเวลามันหมดไปหรือมันเปลี่ยนไปความสุขที่ไดจากมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันที นี่คือปัญญาพระเจ้าทรงสอนให้เราเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญหรือความสุขทางตาหูจมูกดิ้วกายนี้มันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตามันเป็นของที่เราควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้ให้มันให้มันให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องมีเวลาที่มันจะต้องคลิกกลับไปคลิกจากง่ามือเป็นหลังมือ พลิกจากความสุขให้กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเรามองให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังมันพลิกไปพลิกมาอานาตตาเราห้ามมันไม่ได้ควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าเราเห็นมันอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่อยากจะได้มันเพราะเราเห็นว่าถ้าได้มันมาแล้วเดี๋ยวเวลามันพลิกเนี่ยมันเปลี่ยนจากดีกลายเป็นไม่ดีจากคนที่เคยรักเรากลายเป็นคนที่เกลียดเราขึ้นมาเนี่ย ความสุขที่ได้จากการความรักของเขาก็หายไปความทุกข์ที่ได้จากความเกลียดของเขาก็จะโผล่ขึ้นมาอันนี้คือปัญญาให้มองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นของที่มีโอกาสพลิกไปพลิกมาได้ตลอดเวลาแล้วเราบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เวลามันเวลามันจะเปลี่ยนไปเวลามันจะหมดไปแล้วมันก็จะสร้างความทุกข์ใจให้กับเรา ถ้าเราเข้าใจหลักอันนี้จังหลักอนัตตาและความทุกข์ที่จะตามมาใจเราก็จะไม่อยากได้อะไรเพราะรู้ว่าถ้าได้มาแล้วมันจะต้องทำให้เราทุกข์ mm hmm. เราก็จะหยุดความอยากในใจเราได้ mm hmm. พอเราหยุดความอยากในใจได้ใจของเราก็จะสงบเหมือนเหมือนตอนที่เราอยู่ในสมาธิเพียง mm hmm. แต่ว่าตอนนี้เราไม่ต้องเข้าสมาธิ mm hmm. เราใช้ปัญญาทำใจให้สงบเหมือนอยู่ในสมาธิได้ ด้วยการหยุดความอยากด้วยปัญญาด้วยการเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี้มันไม่ได้เป็นความสุขอย่างเดียวมันเป็นความสุขที่สามารถพลิกกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ทุกเวลาและมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหักห้ามมันได้ยับยั้งมันได้เวลามันจะพลิกเวลามันจะเปลี่ยนมันยอดห้ามมันไม่ได้ขังคับเขาไม่ได้ถ้าไปหวังไปพึ่งเขาให้ความสุขกับเรา พอเขาเปลี่ยนไปเขาไม่ให้เขาไม่ให้ความสุขกับเราเราก็เสียใจขึ้นมาทันทีอย่ามองให้เห็นว่าทุกอย่างมันไม่เป็นของไม่แน่นอนเป็นของที่จะต้องมีการพลิกไปพลิกมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็จะเห็นว่าจะต้องเจอความทุกข์เวลาที่มันเปลี่ยนนัเเรียกว่าเห็นทุกข์เห็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาก็คือสรุปก็ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม เงินทองก็เหมือนกันเงินทองเราเวลาได้มามันก็ทำให้เรามีความสุขแต่เวลามันเราสูญเสียมันไปมันก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมายศตำแหน่งต่างๆก็เหมือนกันเวลาได้ยศได้ตำแหน่งมาก็ดีอกดีใจเวลาที่จะต้องสูญเสียมันไปก็จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจเวลาเราอยากได้สรรเสริญเวลาได้สรรเสริญมาก็ดีใจ แต่พอสรรเสริญนั้นพลิกกลายเป็นนินทาขึ้นมามันก็จะทําให้เราเสียใจรูปเสียงกินรสที่ให้ความสุขกับเราเวลามันเปลี่ยนไปมันก็ทําให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นั้นมันเป็นของชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวที่มีโอกาสที่จะหมดสิ้นไปได้ทุกทุกเมื่อทุกเวลาถ้าไม่อยากจะไปทุกข์กับเขาก็อย่าไป อาศัยเขาเอามาให้ความสุขกับเราอย่าไปอยากได้ของมาเป็นของเราเท่นั้นเองให้เราอยู่แบบไม่มีความอยากดีกว่าเพราะว่าเมื่อไม่มีความอยากแล้วใจเราก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขความเย็นสบายมีแต่ความอิ่มความพออันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงได้ปฏิบัติมนาะ พระเจ้าก็ปฏิบัติแบบนี้สลระทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองออกบวชไปถือศีลแปดฝึกสตินั่งสมาธิจนทำใจหยุดความอยากแบบสมาธิได้ชั่วคราวพอจากสมาธิมาก็เวลาเกิดความอยากก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่เราอยากได้นะั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราควบคุมบังคับให้มันให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวไม่ได้มัน เปลี่ยนได้จากการให้ความสุขมาให้ความทุกข์กับเราได้ถ้าเราไม่อยากจะได้ความทุกข์เราก็อ ย, ายา่าไปอยากอย่าไปอยากได้อะไรพอเราตัดความอยากได้เพราะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากมันจะทำให้เราทุกข์ต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากยในใจพอไม่มีความอยากเราใจเราก็จะสงบสบายไปตลอด ใ, ใจของพระเจ้าในเวลาที่ทรงตัดัลรู้ก็ของตัดชลุตรงนี้ตรงที่ได้หยุดความอยากด้วยปัญญา ด้วยการเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาใจของพระเจ้าก็เลยเป็นนิพพานขึ้นมาไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจไม่มีความอยากไปเกิดเด็กต่อไปเพราะไม่มีความอยากจะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดท่าพลาชนิดต่างๆใจก็ไม่มีวันเกิดเด็กต่อไปใจก็จะอยู่ในนิพพานไปตลอดอยู่กับความไม่ความใจที่ไม่มีความอยากอยู่กับใจที่มีความสุขตลอดเวลาที่เรียกว่าบรลมัสุข พลังสุขขังนี่แหละคือบุญหรือกุศลที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาทํากันตั้งแต่ขั้นต่ําขึ้นไปจนถึงขั้นสูงขั้นต่ําก็คือทําบุญทำทานรักษาศีลห้า แ, <Yeah. S 1> แ, แล้วต่อไปก็ให้ขึ้นไปฝึกสมาธินั่งสมาธิดันจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็รักษาศีลแปดแล้วก็ไปศึกษาทางปัญญาไปศึกษาเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขขังเรื่องอนัตตา ว่าอะไรบ้างที่เป็นอ น, นิจจังเป็นทุกขงังอนัตตาเมื่อเห็นอย่างชัดเจนว่าสิ่งต่างๆเป็นทุกข์ก็จะไม่อยากได้พอไม่อยากได้จิตก็จะไม่มีความดิ้นรนอีกต่อไปจิตก็จะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอ น, นี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันทอดกะถินพระราชทานของวัดในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเิวาหาปูราปาริปุเรนติสาคลังเอวามีวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติยุชิตังปัทิตังสุมหังคิปะเมวาสมมิตาโตสัพเพปุเรนตตสังกบา จันโทปนะวะโสยธามณิโชติอะระโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตารายสุขีทีกายุโกภวะอภิวาตนาสีลิปสะนิจังวุธาปจายโน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 วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทางเ c e b o o k 408ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์210ท่าน YouTube ดกเร์86ท่านครับเ o า s e 7ท่านวิทยุออนไลน์8ท่านนาคุติ218ท่านรวมทั้งหมด937ท่านครับอาจารย์โกลชัวป้างเนี่ยอลองลองโกใหม่ดูดิ เพาว่ามันเกินนะแปดร้อยทั้งนี้เหรอสองรายการแรกมันก็แปดร้อยเข้าไปแล้วไม่บวกแค่นี้บวกไม่ได้เลยเกร้อยสมิเจ็ดท่านครับอาจารย์แน่ใจเลยนั้นเท่าไหร่กอว่ามาใหม่เเดี๋ยวเราจะบวกให้ดู f ฟ c e b o o สี่ร้อยแปดท่านสี่ร้อยแปดใช่ครับสี่้อแปดท่านครับก็สี่ร้อยแปดสิบครับผมอาว่ามาต่อสี่ร้อยแปดแล้วได้ YouTube พาสุชาติไลฟ์สองร้อยสิบท่านยู u ูบด็อกตรวีแปดสิบหกท่านคลับเฮาส์เจ็ดท่านวิตยุออนไลน์แปดท่านนาคุติสองร้อยสิบแปดท่านรวมทั้งหมดเก้าร้ยสามสิบเจดท่านครับประจักช่วถามได้มีคำถามจากทางนาคุฏิค่ะ เป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่นแล้วจัดงานกินเลี้ยงโดยหักเงินจากยอดกระถิ่นที่ญาติโยมทำบุญจะบาปหรือไม่คะมันก็ไม่ได้ไปทำบุญเนอะไปเลี้ยงกันนะมันไม่บาปมันไม่ได้บุญเนละอันนั้น จากหน้ากุติค่ะขอถามว่าถ้าเราให้ทิปแก่คนขับแกลบที่เขาได้ค่าจ้างจากการส่งของไปแล้วแต่ให้เพิ่มเพราะเห็นใจที่เขาต้องขับรถฝ่าฝนเสียงอันตรายอันนี้ถือว่าเราให้ทานไหมคะให้ hi, hi. มีคำถามจากทางเ c e b o o k ค่ะขอแนวทางในการปฏิบัติจากครูบาอาจารย์ถ้าเราจะปฏิบัติให้ถึง ขันข้ามเวทนาให้ได้เราต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างครับตังขยันบริกรรมพุทโธเนี่ยนะเวลานั่นเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับอาการเจ็บเดี๋ยวใจก็จะสงบนิ่งเฉยเฉยแล้วก็จะไม่เดือดร้อนกับอาการเจ็บได้จากคุณอนุ์ค่ะจิตประมาตพระรัตนาตายควรแก้อย่างไรดีครับ ก็ควรจะหยุดมันเวลาปราโมทย์ก็พุทโธพุทโธพุทโธไปใช้สติหยุดมันจากคุณอภิชยาค่ะอยากอยากถามพระอาจารย์แล้วก็ให้พระอาจารย์ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการทําบาปด้วยความกลัวค่ะก็เวลาเห็นงูนี่มาเข้ามาบ้านก็ตีมันตายมาทําบาปด้วยความกลัวถ้าไม่อยากจะทำบาปด้วยความกลัวก็จับมันไป ให้ใครมาช่วยจับให้แล้วก็ไปปล่อยไว้ในป่าจากคุณซุปตาค่ะเราจะสอนใจยังไงให้ยอมรับกับความเจ็บปวดของร่างกายได้ตอนนี้กําลังลังเลจะหาหมอหรือไม่หาหมอดีค่ะอยากจะอยู่กับความเจ็บปวดได้ค่ะแต่ในใจก็อยากหายค่ะก็เบื้องต้นเราก็ต้องมีสติเพื่อให้ใจเราอยู่เฉยๆกับมันให้ได้ แล้วก็ศึกษาธรรมชาติของมันว่ามันเป็นของที่เราห้ามไม่ได้ควบคุมบังคับไม่ได้เวลามันจะเจ็บมันก็เจ็บเวลามันจะไม่เจ็บมันก็ไม่เจ็บยังไม่มีจ้ะไม่มีนะอีกใครอยากจะถามไหมเชิญนะถ้าไม่มีจะได้ให้กลับบ้านกันเอามาแล้วเลยอครัเข้ามาจันครับ เวลาใกล้ๆนะ ค, ครับเวลาตอนเราใกล้จะสิ้นลมอะครับอมันจะทุกข์ทรมานไหมครับแล้วมันจะเป็นอย่างไรบ้างครับอยู่ที่เราฝึกไว้ก่อนใช่หไหมถ้าฝึกไว้ก่อนใจก็จะสงบเป็นเฉยๆถ้าเรามีสติเวลาอะไรเกิดอะไรขึ้นเราก็พุทโธพุทโธไปใจก็จะนิ่งเฉยหรือถ้าเรามีปัญญาบอกว่าอะไรจะเกิดก็เกิดมันไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา เราเป็นใจเราเป็นผู้รู้ผู้สั่งผู้ใช้มันเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายก็ดูมันไปเหมือนเราดูเหมือนหมอดูคนไข้ไปหมอก็ดูคนไข้คนไข้ไม่หายใจหมอก็ไม่หายใจแต่หมอไม่ได้ไปเดือดร่อนกับคนไข้ใชไหใจก็เหมือนกันใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นผู้ดูร่างกายก็ใจต้องรู้จักปล่อยอย่าไปหลงคิดว่าตัตนเองเป็นร่างกายเท่านั้นเอง แยกตรงไหนออกจากร่างกายให้ได้แล้วใจก็จะไม่เดือดร้อน mm hmm. mm hmm. เรื่อปัญญาหรือถ้าฝึกสติกับพุโทโธพุทโธพุทโธไปใช้พุโทพโธไ ป, ไปถ้ายังใช้ปัญญาแยกไม่ได้ก็ใช้พุโทโธหยุดใจไว้ก่อนหยุดใจไม่ให้ไปยุ่งกับความเป็นความตายของร่างกายล mm hmm. องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปโอเคนะครัขบขอบคุณครับอาจารย์